ตอนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีติดต่อกับวิญญาณสำเร็จอัดเทปคำพูดคนตายไว้ได้ทั่วโลกตะลึงในข่าวพ่อตายในสงครามโลกยังเรียกมาพูดจากันได้ทั่วโลกตะลึงงาน นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีพูดจากกับวิญญาณได้สำเร็จและสามารถบันทึกเสียงเอาไว้ได้นักค้นคว้าชาวออสเตรียนผู้ทดลองความลี้ลับได้สำเร็จตามข่าวที่อ้างโอกับนักข่าวว่าเขาสามารถติดต่อกับบิดาของเขาซึ่งถึงแก่กรรมในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองได้รวมทั้งติดต่อให้ครอบครัวหนึ่งสามารถติดต่อกับลูกสาววัย18ปปีที่หายสาบสูญไปและคาดว่าอาจเสียชีวิตแล้วก็ได้ ทั้งนี้เป็นรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ออกจำหน่ายในอเมริกาได้ลงข่าวอันตื่นเต้นนี้พร้อมทั้งมีภาพประกอบข่าวยืนยันข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์ในรายงานข่าวอ้างว่าหลังจากใช้เวลาวิจัยอย่างลับๆนานถึง13ปีปรากฏว่าขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังติดต่อกับดวงวิญ ญ, ญาณของผู้ที่ลงลับไปแล้วและบันทึกเสียงการสนทนาเอาไว้ด้วย วิธีการนี้ทำให้สามารถติดต่อกับญาติมิตรที่เสียชีวิตไปเป็นเวลาลหลายปีได้ดังตัวอย่างที่น่าสนใจกรณีเด็กสาวผู้สูญหายไปอย่างลึกลับโดยหาร่องรอยไม่ได้สามารถส่งเสียงมาพูดคุยกับปิดามารดาของเธอได้จอร์ดเมย์ช่างเทคนิคคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกับด็อร์คอนสแตนตินลัวดา หนึ่งในบรรดานักวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิกคนคิดการสื่อสารทางวิญ ญ, ญาณนี้เผยว่าวิธีการดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาสามัญ น, นี้โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงก็อาจจะจับเสียงของวิญญาณผู้ตายได้และได้รับคำตอบที่แท้จริงและสมเหตุสมผลตรงตามคำถามวิธีการดังกล่าวง่ายดด้ซิจนใครๆก็สามารถทาได้ โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงแบบธรรมดาและอุปกรณ์อื่นๆที่กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยค้นคว้าอีกไม่กี่ชิ้นวิธีที่ดีที่สุดที่ดรรัวไดฟเคยใช้บันทึกเสียงได้ผลมาแล้วหลายครั้งได้แก่การใช้เครื่องไดยกซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์ที่ต่อสายไฟเข้ากับไมโครโฟนอีกแบบหนึ่งที่ใช้กันคือการติดตั้งเครื่องมือให้เข้ากับเครื่องบันทึกเสียง วิธีนี้ต้องการความเงียบที่สุดจอร์ดเมย์อธิบายว่าผู้ถามจะเริ่มถามคำถามและปล่อยเวลาให้ล่องลอยไปซักระยะหนึ่งเพื่อให้วิญญาณตอบและจึงจะถามคำถามต่อไปทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆพอเอาเครื่องบันทึกเสียงมาเปิดฟังจะได้ยินเสียงค่อยๆอ อ, ออกมาในจังหวะที่ม้วนเทปถูกปล่อยว่าง ในตอนแรกเสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นระลอกระลอกมีจังหวะซึ่งทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลและเสียงที่ได้รับจะเป็นเสียงที่ตอบคำถามที่ถามไปวิธีที่3ใช้เครื่องบันทึกเสียงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเสียบไมโครโฟนเข้าไปวิธีนี้จะต้องตะโกนถามดังๆ แต่ไม่ให้เสียงตะโกนถามนี้ถูกบันทึกลงไปในเครื่องบันทึกเสียงแต่จะกลับมีเสียงออกมาจากเครื่องซึ่งนับว่าเป็นการทดลองที่น่าตระหนกตกใจไม่น่าเชื่อด้วยวิธีการดังกล่าวมาปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกเสียงต่างๆไว้นับพันนับหมื่นเสียงแล้ว บางคนก็ใช้วลีสั้นๆหรือคำเดียวโดดๆบางคนก็พูดเต็มประโยคจอร์ดเมย์เผยว่าแม้แต่ทางศาสนาโรมันคทอลิกก็ยอมรับว่าวิธีการที่กล่าวมาเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าวิญญาณมีจริงและสนับสนุนให้บาทหลวงทั่วไปลองทำการติดต่อกับดวงวิญญาณของลูกวัตถุมาเหตุผู้แปล ต้นฉบับเป็นเช่นนี้ไม่ทราบว่าลูกวัตถุคืออะไรแต่วิธีที่น่าตื่นเต้นที่สุดได้แก่วิธีการทดลองของฟรานซิสนักค้นคว้าชาวออสเตรียนซึ่งพัฒนาอุปกรณ์ของเขาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วฟรานทดลองในห้องทดลองทางไฟฟ้าของเขาภายใต้แสงไฟที่สว่างจ้าและเครื่องบันทึกเสียงของเขา สามารถจับเสียงพูดจากหลุมฝังศพอีกด้านหนึ่งได้อย่างชัดเจนโดยมีฮันส์ดีทรังสหายแห่งออสเตรียนร่วมเป็นประจักษ์พยานอยู่ด้วยฮันส์เผยว่าเครื่องมือที่ใช้ไม่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องทางวิยศาสตร์เลยซีดเพียงตะหมุนเครื่องวิทยุของเขาและงานทดลองของเขา ก็เป็นเรื่องการค้นคว้าทางด้านไฟฟ้าโดยตรงแต่เมื่อป้อนคำถามออกไปก็จะได้ยินเสียงตอบที่ชัดเจนออกมาจากลำโพงฮันส์บอกว่าเขาเองยังได้พูดคุยกับบิดาของเขาซึ่งถึงแก่กรรมไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองได้วิธีการนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ไม่เชื่อถืออย่างหนักหน่วง โดยอ้างว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องหลอกลวงและเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่รับได้จากสถานีวิทยุประจำถิ่นซีชี้แจงว่าได้พยายามให้ทุกสิ่งเรียบร้อยไม่ถูกรบกวนโดยเฉพาะเทปบันทึกเสียงโดยสื่อสารลงไปในเทปด้วยกําลังไฟฟ้าเทปเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกรบกวนจากรังสีที่สร้างขึ้นแต่จะเกิดเป็นเสียงแทน เสียงที่ได้ยินนี้ไม่มีทางที่จะรับฟังได้จากสถานีวิทยุประจำถิน่นเพราะชื่อก็ดีสถานที่ที่อ้างถึงจากคำตอบก็ดีตลอดจนเสียงพูดก็ดีเป็นคำตอบของคำถามที่ถามไปโดยตรงอีกรายหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของเขาในการทดลองคือช่วยให้ครอบครัวหนึ่งสามารถติดต่อกับลูกสาววัย ชื่อซิวเวียเรนเนอร์ซึ่งสูญหายไปอย่างลึกลับตั้งแต่ปี2513พ่อของเด็กชื่อเคิร์ตเรนเนอร์และแม่ชื่ออลิซาเบตได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากซีดหลังจากซิวเวียล่องหนไปที่แถบเหนือของอิตาลีระหว่างไปพักผ่อนกับครอบครัวในปีดังกล่าวและไม่มีใครพบร่องรอยของเธอเลยหลังจากนั้นมาทางบ้านเข้าใจว่าเธอประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม แต่ก็ไม่พบซากศพของเธอซีสติดตั้งอุปกรณ์ของเขาโดยมีสมาชิกครอบครัวนี้เฝ้าดูอยู่ท่ามกลางแสงไฟสว่างจ้ามีเสียงดังลอดออกมาจากเครื่องบันทึกเสียงค่อยๆขณะที่เทปรับเครื่องควบคุม และเอ่ยคำถามผ่านไมโครโฟนให้วิญญาณประกาศชื่อของตนออกมาเสียงตอบของผู้หญิงที่เหมือนกับเสียงคนที่มีชีวิตจริงๆตอบว่าซิวเวียซสถามต่อว่าเราจะพบคุณได้ที่ไหนมีเสียงตอบว่าไม่มีทางซิสออนให้ซิวเวียบอกให้พ่อแม่รู้ แต่เสียงวิญญาณก็บอกแต่เพียงว่าไม่ใช่เป็นเพราะอุบัติเหตุเมื่อถามว่าถ้าเธอตายไปแล้วสาเหตุแห่งการตายของเธอมาจากอุบัติเหตุหรือไม่ก็มีเสียงตอบซ้ำ ม, มาว่าไม่ใช่แน่นอนผลการบันทึกเสียงติดต่อครั้งแรกทำให้ไฮส์เรเนอร์น้องชายวัย17ของซิลเวียพอใจมาก และได้สร้างเครื่องบันทึกสื่อสารขึ้นเองโดยซีสตั้งชื่อให้ว่าเครื่องไซโคโฟนไฮสได้ทําการทดลองพูดติดต่อกับพี่สาวได้ความว่าซิลเวียถูกลักพาตัวไปแอฟริกาและยังได้บันทึกชื่อและสถานที่ไว้ด้วยโดยซิลเวียบอกกับน้องชายว่าถูกชายชื่ออันเซโบน ซึ่งอยู่ที่สองสองโอทาวในไคโรเป็นผู้ลักพาตัวไปน่าแปลกที่ว่าจากการทดลองของบาทหลวงฮันเดรแห่งวีเวอร์นิวตันนักทดลองสื่อสารวิญญาณอีกคนหนึ่งที่กระทำการบันทึกเสียงในขณะเดียวกันก็ได้รับข้อความอย่างเดียวกันจากข่าวที่ได้รับนี้ทำให้พวกตำรวจจากสถานทูตออสเตรียนที่กรุงไคโร ได้ติดตามเรื่องนี้ให้และได้พบสถานที่ที่เอ่ยถึงจริงแต่ไม่มีใครอยู่แต่ต้องใช้เวลานา น, านกว่าจะอธิบายให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าพวกเขาไม่ได้รับข่าวที่เหลวไหลไร้สาระ